กรรมที่ทำให้ถูกด่าเสียหน้าอยู่เรื่อยถามดิฉันมักถูกด่าว่าทำให้เสียหน้าอยู่เรื่อยทั้งที่มั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดคิดร้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นฝ่ายทำให้งานเสียหายแต่คนอื่นทำเสียเองแล้วมักเอาโทษมาลงที่ดิฉันหลายครั้งนึกเปรียบเทียบกับเพื่อน ไม่เห็นใครเขาเป็นกันอย่างนี้เลยอยากทราบว่าเป็นผลจากกรรมแบบไหนและจะแก้อย่างไรตอบการถูกด่าหรือถูกประจานบ่อยๆโดยไม่มีเหตุผลสมควรเป็นวิบากที่เกิดจากกรรมสองประเภทหลักๆได้แก่ 1. การชอบข่มเหงน้ำใจผู้อื่น สนุกกับการเห็นคนเจ็บใจอาวุธอาจเป็นภาษากายหรือภาษาพูดทิมต่าให้อีกฝ่ายรู้สึกต่ำต้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนด้อยกว่าหรือไม่มีทางสู้ 2. การประพฤตินตนผิดศีลผิดธรรมอย่างไม่ละอายโดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกรรมและการโป้ปทมดเท็จ ขอเพียงสั่งสมกรรมเหล่านี้ไว้มากพอก็อาจให้ผลในปัจจุบันชาติไม่ต้องรอเกิดใหม่ชาติหน้าและที่ไม่ต้องรอเกิดใหม่ให้ผลทันตาเห็นก็เพราะกรรมอันมีลักษณะเสียดแทงใจผู้อื่นเมื่อสั่งสมจนเข้มข้นแล้วย่อมก่อกระแสให้เจ้าตัวของกรรมมีลักษณ ะ, น, ะน่าเสียดแทงใครเห็นแล้วอยากด่าหรือเกิดเรื่องให้นึกอยากต่อว่าประจานอยู่เรื่อย และหากชอบปั้นน้ำเป็นตัวบิดเบือนความจริงเป็นประจำความจริงเกี่ยวกับตัวเองก็จะถูกบิดเบือนเช่นกันโดยมาในรูปของการถูกใส่คล้ายแม้เป็นฝ่ายถูกก็อาจโดนกระทาให้ใครต่อใครหลงเชื่อว่าเป็นฝ่ายผิดเอาง่ายๆหากพิจารณาตัวเองว่าไม่ใช่คนชอบข่มเหงใคร กับทั้งไม่ได้ผิดศีลเป็นอาจินพูดง่ายๆว่าถ้าเหตุไม่น่าจะใช่กรหลังเกิดก็ต้องโยนโทษให้เป็นกรรมก่อนเกิดคือคุณเคยชอบข่มเหงน้ำใจหรือผิดศีลมาในอดีตชาติอันนี้ยาจะยอมรับนิดหนึ่งแต่ผมเคยเห็นครับบางคนมีตัวตนในปัจจุบันติ๋มๆสงบเสงี่ยมเรียบร้อย แต่ต้องกลายเป็นกระโทนท้องพระโรงรองรับอารมณ์ผู้ใหญ่อยู่เรื่อยนั่นก็เพราะอาดีตชาติประพฤติตนไว้หลายแบบแรกๆอาจดีมีเมตตาไม่อยากเอาเรื่องเอาราวกับใครแต่ตอนแก่ๆพอเป็นเจ้าคนนายคนก็ชอบบน่นชอบด่าชอบจู้จี้จุกจิกอันนั้นละครับเลยให้ผลรวบยอดในชาติถัดมาเกิดใหม่เงียบๆติมติม ตามพื้นนิสัยดั้งเดิมที่แท้จริงแต่ก็ต้องชดใช้กรรมในภาคที่เคยชอบอลวาสกับชาวบ้านตามระเบียบดีหน่อยตรงที่เจอไม่หนักไม่สม่ำเสมอนักหากเป็นพวกชอบขมเหงน้ำใจผู้น้อยเป็นอาจินชาติถัดมาก็มักถูกบีบเพื่กลายเป็นผู้น้อยที่ถูกผู้ใหญ่ขมเหงเป็นประจำ แต่หากเป็นพวกชอบขมเหงน้ำใจไม่เลือกหน้าชาติถัดมาก็จะถูกคนทั่วไปขมเหงน้ำใจไม่จำกัดเช่นกันกรรมเก่าจะปฏิรูปตัวอยู่ในรูปสนามพลังดึงดูดคนให้นึกอยากด่าเสียเสียหายหายร่ำไปบางทีไม่ได้เป็นพวกชอบขมเหงน้ำใจแต่อาจพลาดไปกล่าวว่าจาเสียแทงอริยะเจ้า หรือผู้ทรงคุณเอาไว้อันนี้ก็มีสิทธิถูกกรรมส่งมาเกิดในเลือกดนด่าประจำเช่นกันเนื่องจากผู้ทรงคุณหรือผู้มีความสะอาดทางจิตนั้นเป็นสนามพลังขยายกรรมที่ส่งเข้ามากระทบได้มากจะพลัดจะพลูด่าท่านสองสาครั้งอาจต้องรับเคราะหนักเสียยิ่งกว่าด่าคนธรรมดาเป็นหมื่นมื่นคนนอกจากนั้น มนุษย์เราเป็นสัตว์ชอบแข่งขันและเมื่อเป็นฝ่ายชนะก็มักฮึกเหิมลำพองหากนิยมการทำให้ผู้แพ้อับอายรู้สึกแย่หรือเห็นว่าตัวเองโง่ามากอันนี้ก็เป็นเหตุให้ถูกย่ำหยีให้อายให้รู้สึกแย่หรือให้เห็นว่าตัวเองโง่ได้เช่นกันเรียกว่าแทบจะเป็นกระจกสะท้อนเงากรรมในอดีตตรงไปตรงมาเลยทีเดียว การแก้เกมบาปข้อนี้มีสองข้อหลักๆคือให้อภัยทานเป็นการใช้หนี้หนึ่งและถือศีลให้เกิดความสง่างามน่ากเกรงใจหนึ่งการให้อภัยแต่ละครั้งก็คือการใช้หนี้เก่าโดยไม่ก่อนหนี้ใหม่เพียงคุณคิดว่าการถูกขมเหงน้ำใจหรือดวนกระทำย่มยี Hear, แต่ละครั้งหมายถึงการใช้หนี้ให้หมุดหมดไปไม่ผูกใจเจ็บ ไม่แม้แต่เก็บมาคิดมากให้ช้ำใจใจคุณจะเบาเหมือนผ่อนส่งค่า ง, งวดแต่ละครั้งใจก็สบายขึ้นทีละหนจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเมื่อนีหมดโดยไม่รู้ตัวชีวิตจะปรากฏในอีกรูปหนึ่งคุณจะเกี่ยวข้องอย่างสำคัญเฉพาะกับบุคคลที่จะไม่ทำร้ายคุณด้วยวาจาอีกต่อไป ส่วนการรักษาศีลห้าให้สะอาดหมดจดนั้นย่อมมีอนุภาพเป็นความน่าเกรงใจมีความสง่างามหรืออย่างน้อยก็ฉายรัศมีคุ้มตัวใครเห็นแล้วอยากชมมากกว่าอยากติขอให้จำไว้ว่าผู้ตั้งใจรักษาศีลย่อมต้องมีสติมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปโดยเฉพาะในแง่ของการไม่เผลอใจพูดจาเสียแทงด่าว่าใครให้เจ็บใจ แม้เขาจะเป็นฝ่ายทำให้คุณเจ็บใจก่อนก็ตามตัวสติรักษาวาจาให้นุ่มนวลมีเหตุมีผลทั้งที่ใจกำลังอยากด่าทออาจทำให้คุณรู้สึกฝืนในช่วงแรกแต่เมื่อคล่องแคล่วดีแล้วก็จะไม่ฝืนฝืนอะไรตรงที่ไม่ฝืนพูดนุ่มนวลได้ทุกครั้งนั่นแหละที่ใครต่อใครจะเริ่มปฏิบัติกับคุณต่างไป เพราะสนามดึงดูดให้อยากด่าถูกลดทอนกำลังลงมากแล้วนอกจากนั้นคุณควรตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ใครขายหน้าอย่างเด็ดขาดไม่แม้แต่จะคิดตรงข้ามถ้าเห็นคนพลาดถ้าเห็นคนล้มก็มีแก่ใจช่วยประครับประคองให้เขาลุกขึ้นยืนใหม่อย่างภาคภูมินี่ก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งหากทำประจำ ก็กลายเป็นพลังเสริมให้ใครต่อใครเห็นคุณแล้วอยากยกย่องมากกว่าอยากย่ำยีเมื่อทำทานและถือศีลดีแล้วยอมได้ชื่อว่าประกอบบุญไวด้ดีการแสดงตัวของบุญย่อมมาในรูปของการได้หน้ารักษาหน้าเหมือนมีองครักษอยพิทักษไม่ให้เสียหน้าไปเองครับ